ก็กราบบูชาพระธตนตรัยกราบบูชาครูบาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนตวายความครบรมายังหลวงพ่อกมครูบาจารย์เพื่อนสาตมิกเจริญพรมายังแม่ชีแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันตามปกตินอะอวันนี้ก็เป็นวันพุธที่เก้า กันยายนพุทธศักราช2558 <c oughs> ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่เราได้มาร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นะแล้วก็ได้ฟังธรรมนะซึ่งก็เป็นกิจวัตรประจำวันของวัดป่าสุขโตนะตอนนี้ก็มีแขกต่างประเทศก็คื อ, อ, อหลวงจีนนะ พระจากเมืองจีนภิกษุณีและก็ญาติโยมที่สนใจในการปฏิบัติมาร่วมกันด้วยก็เป็นเรื่องที่ทำให้นึกถึงเมื่อสมัยที่หลวงพ่อเทีย น, นท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็บอกว่าธรรมะที่ท่านพูดเนี่ยมันเป็นสากลคนจีนก็เข้าใจได้ คนไทยก็เข้าใจได้คนฝรั่งคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนเยอรมันนะซึ่งสมัยนั้นก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นก็ ค, คือยังไม่ได้เห็นภาพนะแต่พอมาถึงวันนี้ก็ได้เห็นภาพชัดเจนสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อชาติศาสนานะแต่เป็นหลักปฏิบัตินะที่เป็นหลักสากล แล้วก็ในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยถือว่าเป็นเดือนของหลวงพ่อเทีย น, นท่านเกิดเดือนกันยาย น, นาวันที่สามหรือวันที่สี่นี่แหละประมาณปีพศสองพสี่รอยห้าสิบสี่ถ้านับถึงวันนี้ปีนี้ก็ร้อยสี่ปีและที่วันที่ท่านเข้าใจธรรมะประมาณปีสอง0ห้าอยถ้านับถึงปีนี้ก็เป็นปีที่ห้าสิบแปด อีกสองปีก็ครบ6กสิบปีนะที่ท่านเข้าใจธรรมะก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะในวิธีการรูปแบบของการเจริญสติแล้วก็ท่านก็ละสังขารไปเมื่อปี2531ถ้า่านับถึงปีนี้ก็ประมาณ27ปีนะในช่วงนี้ที่วัดสนามใน นะก็จะมีการจัดปฏิบัติธรรมนะเพื่อระลึกถึงหลวงพ่อเทียนและก็ที่หอจดหมายเหตนะุก็มีการเจริญสติปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นีนะ้ในส่วนของวัดป่าสุข โ, โตเราก็ทาเป็นปกตนะิธรรมดาอยู่แล้วนะเดือนสิงหาคมเป็นเดือนของหลวงพ่อคำเขียนนะเดือนกันยายนเป็นเดือนของหลวงพ่อเทียนนะซึ่งในส่วนของหลวงพ่อเทียนเนี่ย ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตยอยูนะอ่สิ่งที่ท่านได้พูดได้สอนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คนในยุคนั้นเนี่ยนะยังยังยังไม่เข้าใจในวิธีการหรือในรูปแบบแล้วก็ยังมีการตั้งข้อสงสัยอยู่มากมายว่ามันจะเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าสอนหรือการมานั่งยกมายกมือเนี่ยก็มี ทั้งคนที่มีความรู้ทั้งคนที่เคยปฏิบัติมาก็สอบถามนะซึ่งหลวงพ่อท่านก็บอกว่าไม่ได้เขียนในพระไตรปิฎกมันก็ไม่มีนะแต่สิ่งที่ท่านพบหรือสิ่งที่ท่านมาพูดเนี่ยมันเป็นประสบาการณ์นะที่ท่านได้ปฏิบัติในตัวท่านเองและท่านก็รับรองด้วยตัวของท่านเอง ถึงขนาดท้านะเรียกว่าท้ายมาพิสูจนะ์ว่าถ้าคุณปฏิบัติอย่างนี้นะภายในสามเดือนเนี่ยนะถ้าคุณไม่รู้อะไรนะหลวงพ่อจะจ่ายเงินให้เลยนะซึ่งคำพูดอันนี้เราคงเคยได้ยินกันบ่อยๆหลวงพ่อคำเขียนก็เคยนำมาเล่าสู่กันฟังเพราะนั้นตรงนีน้ก็เป็นสิ่งที่น่าน่าลองน่าพิสูจน์ หลายคนก็สนใจและสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่ามันเป็นการเสนอทางเลือกในการที่เราจะฝึกเาขาเรียกว่ากรรมฐานอีกรูปแบบหนึ่งก่อนที่จะมีสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการทํากรรมฐานการทําจิตภาวนาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปแบบของการนั่งนิ่ง นะการนั่งสงบหลับตานะไม่มีการเคลื่อนไหวนะใช้ลมหายใจบ้างมีคำบริกรรมบ้างอันะนึน่งเป็นรูปแบบที่เราคุ้นดีคุ้นเคยนะแม้แต่ในปัจจุบันนะแต่ถ้ามาที่วัดป่าสุโโตแล้วจะจะเห็นแตกต่างออกไปนะมีการเคลื่อนไม้เคลื่อนมือมีการเดินจงกรมนะไม่ได้เน้นให้นั่งหลับตา ให้ลืมตานะซึ่งตรงนี้นก็เป็นรูปแบบที่แปลกนะเมื่อประมาณ 50-60 ปีที่แล้วนคนที่จะเข้าใจหรือคนที่จะมาสนใจนะมีไม่มากนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะไปคิดว่าการที่มายกมือก็ดีการมาลืมตาก็ดีมันจะมีสมาธิได้อย่างไรนะส่วนใหญ่แต่ก่อนเราจะพูดกันถึงการฝึกสมาธินะไม่ได้พูดเรื่องการเจริญสตนะิสตินี้พูดกันไม่มาก ส่วนใหญ่เขพูดสมาธิแต่พอพ <c oughs> ิธีนี้เริ่มเป็นที่แพร่หลายแล้วก็หลายคนได้มาทดลองได้มาปฏิบัติแล้วสามารถที่จะนําไปใช้ได้สามารถที่จะแก้ความทุกข์ของตัวเองได้แล้วก็มีการบอกต่อกันไปเซ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้แพร่หลายออกไป น, นอกจากในประเทศก็ได้แพร่หลายอาไปต่างประเทศด้วยหลักสำคัญของการเจริญสติในแนวการเจริญสติที่หลวงพ่อเทียนได้พูดเนี่ยมันมีสองขั้นตอนสำคัญสาคัญอันแรกคือการบาเพ็ญเพียรทางกายการบาเพ็ญเพียรทางกายก็คือการที่เราให้มามีสติรู้กับการเคลื่อนไหวที่กายทำบ่อยๆด้วยการยกมือก็ดีการสร้างจังหวะการเดินจงกรมก็ดี นะเอาตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปดูความคิดอย่าเพิ่งไปดูจิตนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นการวางพื้นฐานเบื้องต้นนะก็คือการบำเพ็ญเพียรทางกายนะให้มารู้เท่ารู้ทันการเคลื่อนไหวการยกมือการสร้างจังหวะนะเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้อย่าเคลื่อนโดยไม่รู้สึกตัว นะบางทีเราเคลื่อนโดยอัตโนมัตนะิอัตโนมัติคือเคลื่อนไปโดยไม่มีหยุดนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นความเพลินมันจะเผลอยกไปอย่างนั้นนะ่ะแต่ไม่รู้ตัวคิดนูน่นคิดนี่ก็ไม่รู้นะคิดไปก็ไม่รูนะ้ตรงนี้เรียกว่าเพลินไปละเพราะฉะนั้นถ้าเจออย่างนี้สภาพแบบนี้มันอาจจะเบลอๆนะถ้าเบลอๆให้หยุดก่อนเริ่มต้นใหม่นะตั้งใจนิดนึง นะสร้างจังหวะด้วยความรู้สึกตัวนะทำไม่ต้องรีบไม่ต้องไวทำพอดีพอดีไม่ไวเกินไปไม่ช้าเกินไปนะคนใหม่ๆบางทีก็ตั้งใจนะตั้งใจมากเกินไปก็จะเพ่งๆจ้องๆก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นการเริ่มต้นเหมือนกับเราหัดเขียนกไก่ขอกไก่วันแรกๆมันก็เก่งๆหน่อยนะแล้วมันจะค่อยๆปรับเนื้อปรับตัว นะปรับการเคลื่อนการไหวอันนี้ก็คือการบำเพ็ญเพียรทางกายแม้แต่การเดินจงกรมก็ไม่ได้เดินช้าๆไม่ต้องมีคำบริกรรมเดินตามธรรมดาเราเคยเดินยังไงก็เดินอย่างนั้นแต่ตั้งใจใส่ใจที่จะรู้สึกกับการเดินรู้กับการเดินการก้าวเดินไม่ใช่เดินฟรีๆนะไม่ใช่เดินไปคิดไปนะ เดินไปรู้สึกตัวไปแต่เราไม่ห้ามนะความคิดเนี่ยแต่ก็ไม่ตามไม่ห้ามไม่ตามกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวกับการยกมือก็ดีรู้สึกตัวกับการเดินก็ดีนี่คือการบาเพ็ญเพียรทางกายนะซึ่งเป็นในขั้นเบื้องต้นทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่แหละนะมันก็จะไปเห็นความคิดแวบๆขึ้นมาแรกๆอย่าเพิ่งไปสนใจมันความคิดปล่อยทิ้งไปก่อน นะมันคิดแล้วก็ทิ้งไปเลยกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยเห็นตรงนี้บ่อยๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันก็จะไม่ทันหรอกไม่ทันก็คือไงมันหลงไปคิดเนี่ยมันคิดแล้วเราก็ตามไปคิดเรื่องราวต่างๆนานานะนะห้าเรื่องสิบเรื่องร้อยเรื่องไม่รู้ทันเลยมันก็ลืมตัวไปแต่ตรงนั้นถือเป็นประสบาการณนะ์นะนะ ใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนั้นละ่ะรู้บ้างเผลอบ้างนะแต่เผลอแล้วเรากลับมารู้ได้บ่อยการรู้ว่าเผลอนั่นก็คือเรารู้รู้ว่าเผลอไปแล้วอ่าเออไม่เป็นไรกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนะทำตรงเนี้ยบ่อยๆซ้ําแล้วซ้ําอีกต้องอาศัยความเพียรความพยายามการกระทําอย่างต่อเนื่องตรงนี้เป็นจุดสําคัญส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยได้ผลหรือว่าได้ผลเรื่อนช้าเพราะว่าทำท ำ, ทำหยุดหยุด ขยันก็ทําขี้เกียจก็ไม่ทํานตะ่ตรงนี้มันก็ทําให้การฝึกหรือการเจริญของเรานั้นมันไม่ก้าวหน้าอ่านะนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะก็คือการบําเพินเพียนทางกายทีนี้เมื่อเรารู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวบ่อยๆนอกจากรูป ก, กายรูปอาการปวดอาการเมื่อยรูปอาการร้อนอาการเย็นนะตรงนี้มันจะมีอาการต่างๆแทรกเข้ามาเช่นความม่วง ความเบื่อความฟุ้งซ่านสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมาชวนให้เราไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทันมันนะรู้ทันมันแล้วกลับมารู้สึกตัวเอากายเนี่ยเป็นหลักไว้ก่อนมารู้สึกตัวที่กายเนี่ยเป็นหะลักไว้ก่อนนะตรงเนี้เมื่อเราเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเรื่อยๆเนี่ยพอเห็นมันเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งกายทั้งใจมันจะไปเห็นความคิดมันคิดแวบขึ้นมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ ตรงนี้ะเราจะเริ่มมองความคิดนะก็เรียกว่าบำเพ็ญเพียรทางจิตนะการบำเพ็ญเพียรทางจิตก็คือเราให้ความสนใจกับความคิดนะที่มันคิดขึ้นมาแต่เราไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจารณ์นะว่ามันมาจากไหนมันจะไปไหนมันคิดเรื่องอะไรมีทางเดียวคือปล่อยมันไปก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจมันนะเดี๋ยวเราจะเห็นความคิดเนี่ยนะที่มันจะมีเล่ห์เหลี่ยม หน้าที่ทให้เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยได้ง่ายนอกจากนั้นคืออาการต่างๆที่เกิดขึ้นนะความาสบายความไม่สบายของร่างกายก็ดีของใจก็ดีเนะขาแสดงตัวออกมาเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจากความรู้สึกตัวที่กายชัดมันจะไปเห็นใจที่มันคิดนึกชัดขึ้นนะเป็นอีกขั้นหนึ่งนะซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> เป็นสิ่งที่เมือ่อเพราะฉะนั้นการที่เราเอากายเนี่ยการเอากายมาเป็นฐานเนี่ยเพื่อที่ไปดูจิตะบำเพ็ญเพียรทางกายเพื่อที่บำเพ็ญเพียรทางจิตะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นความคิดหลากหลายใหม่ๆจะเป็นความคิดที่อืมหยาบๆหน่อยเป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นมามากมาย อาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เราเคยทำไม่ดีมาล้วก็เรียกว่าอกุศลธรรมแสดงตัวออกมาตรงนี้เนี่ยเราก็เพียงแค่ดูเห็นรู้แล้วไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมต้องเกิดมาอย่างนี้โอ้โหนิสัยเราเป็นอย่างนี้เลยเหรอนั่นแหละคือความจริงแล้วก็เรียกว่านิสัยสันดานมันแสดงตัวออกมาเราก็จะรู้จะเห็นนิสัยสันดานจริงๆที่มันสั่งสมไว้ แล้วมันก็แสดงออกมาตรงเนี้เป็นการชำระล้างนะในโอวาทปาธิโมกพูดถึงละชั่วทำดีชำระจิตให้บริสุทธินะ์การที่เรามาเห็นความคิดนึกใจที่มันคิดนึกในเรื่องราวต่างๆเนะี่ยมันเป็นการชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่เราเคยทำไว้ <c oughs> ตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละนะมันจะผุดโผล่ขึ้นมานะจนถึงปัจจุบัน นะเรื่องที่ไม่ดีก็แสดงตัวออกมานะบางทีก็มีเรื่องดีๆเหมือนกันนะแนะบางทีเราก็มีความสุขนะตรงนี้นะเป็นสิ่งที่แสดงออกมานะเป็นส่วนที่เราจะบำเพ็ญเปลี่ยนทางจิตนะที่เราจะดูตรงนี้และเราจะเห็นหน้าการต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะไม่อยู่ในอำนาจของเรานะซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> เราก็ต้องอาศัยการทำอย่างต่อเนื่อง ดูมันต่อไปนะตรงเนี้มันจะเกิดปัญญาการที่เรามีสติ ด, ดูอยู่เรื่อยๆจิตใจเราตั้งมั่นกับสิ่งที่เราทนะํานั้นเป็นสมาธินะจิตใจที่เป็นปกตินะั้นเป็นศียรละนะมีศียมีสมาธิแล้วดูบ่อยๆมันจะเห็นเล่ห์เหลี่ยมของความคิดที่จะทําให้เราไม่รู้เนือ้อรู้ตัวหลอกเราให้ดีใจเสียใจนะอันนี้มันจะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมา นะเห็นสิ่งที่เป็นความคิดในรูปแบบต่างๆนะที่มันแปรปวนเปลี่ยนแปลงนะเรียกว่าอนิจังทุกขังอนัตตาแล้วนะมันจะแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนความสุขความทุกขนะ์ที่แสดงออกมาหรือความไม่สุขไม่ทุกข์เป็นธรรมดาธรรมดาเป็นปกติธรรมดาธรรมดาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะแสดงปรากฏเป็นความจริงที่แสดงออกมาแต่ละขณะแต่ละขณะ เพราะนั้นเรามีหน้าที่ดูนะดูอย่าเข้าไปเป็นอย่าเข้าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันมาแล้วมันก็ไปนะมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่เชียงใหม่นะเขาก็ถามมาว่าตอนนี้เห็นอัตตามันนะแล้วก็พยายามที่จะดับมันจะทำยังไงแนะต่มาก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปทำอะไรมันแะล้วนะความคิดมันมาเดี๋ยวมันก็ไปนะดูมันเฉย การที่เราพยายามที่จะไปจัดการความคิดเช่นพยายามจะไปดับความคิดนะพยายามที่จะไปปรับความคิดนั่นคือมีความคิดใหม่ซ้อนขึ้นมาเรียกว่าความคิดซ้อนความคิดเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยดูมันเฉยๆนะดูแลให้มันผ่านเราไม่ต้องไปสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่ไปสร้างความคิดขึ้นมาใหม่นะบางคนพยายามจะไปดับความคิดด้วยความคิดโอ้อันนี้มันก็ไม่รู้ตัวละนะเรียกว่า ความคิดซ้อนความคิดอันนี้ก็เรียกว่ากลลวงกลลวงของความคิดที่ปรุงแต่งนี่สิ่งหนึ่งที่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวที่ละเอียดอ่อนที่แหลมคมคมชัดเนี่ยเราจเจนเล่นเหลี่ยมกลลวงของความคิดได้เยอะมากแต่บางทีทำไปทำไปโอ้ยสบายมีความสุขนะอยากให้มันอยู่กับเราตลอดเวลาอย่างนี้ มันทำไมสบายอย่างนี้ตัวเบาสบายนั่นลืมตัวไปละอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ <c oughs> เราจะต้องคอยสังเกตคอยดูเพราะฉะนั้นทุกอารมณ์ที่ <c oughs> แสดงขึ้นมานะถือว่าเป็นสิ่งที่จะมาให้เราเรียนรู้ปัญญามันจะเกิดตรงนี้ไม่ได้เกิดจากการคิดนึกจดจําเอาคําพูดของครูบาอาจารย์จากตํำรับตํารามา นะตรงนั้นเนี่ย <c oughs> มันเป็นความจำนะไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงนะเป็นปัญญาที่เกิดจากการจดจำนะแล้วบางทีมันก็ทำให้เราหลงได้นะหลงว่าเรารู้อะหลงว่ารู้เนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะแต่ถ้ารู้ว่าหลงเนี่ยเออมันใช่ได้รู้ว่าหลงไปแล้วนะหลงคิดไปแล้วนะหลงอารมณ์ลนะ เรนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ <c oughs> ได้จากการกระทําที่ต่อนเนื่องเพราะะฉนั้นการบําเพ็ญเพี่ยนทางจิตเนี่ยจะต้องทําให้มันต่อนเนื่องและตรงนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะต้องอาศัยความแยบคายนะในการที่จะเห็นนะปัญญานั้นจะต้องเห็นรอบนะเห็นรอบเห็นสังขารสังขารคือความปรุงแต่งนะที่ <c oughs> แสดงปรากฏออกมา บางครั้งก็มีความคิดบางครั้งก็ไม่มีความคิดนะมีบางคนปฏิบัติแล้วบอกว่ามันไม่คิดอะไรเลยแล้วทาไงต่อเอาก็ไม่ต้องไปทำก็ดูมันนะคิดก็รู้ไม่คิดก็รู้ไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปทำอะไรมันดูมันอย่างเดียวความจริงมันแสดงปรากฏเป็นเรื่องของธรรมชาติของกายของใจที่เขาแสดงออกมานะตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อเทียน ได้พูดเอาไว้แล้วก็เราได้นำมาพิสูจน์ทดลองด้วยตัวเราเองซึ่งตรงนี้เนี่ยหลวงปเตียนมักพูดอยู่เสมอนะท่านมักจะอ้างสุดท้ายพูดถึงกาลมาสูตรอย่าเชื่อเพราะฟังตามๆกันมาอย่าเชื่อเพราะว่าผู้พูดน่าเชื่ออย่าเชื่อเพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเราแต่จะต้อง ทดลองปฏิบัติด้วยตัวเราเองอันนั้นจะเป็นสิ่งที่เราเชื่อได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ <c oughs> เราสามารถจะพิสูจน์ด้วยตัวเราเองวิธีการไม่ยากนะการเริ่มต้นก็ไม่ยากนะสิ่งที่มันยากก็คือทำให้มันต่อเนื่องทำให้มันอยู่ในชีวิตประจำวันและไม่ใช่แค่ในรูปแบบนะไม่ใช่แค่มานั่งยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมมีเวลา กำหนดเวลาแน่นอนพอออกจากฐานจงกลมหรือว่าที่ปฏิบัติแล้วก็ไปพูดคุยสวนเสเฮฮา อ, อึกกระเริกตรงนั้นน่ก็จะไม่เกิดผลหรับทำไปก็ก็เรียกว่าจะเนิ่นชา้าเพราะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยการเจริญสติทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบหลวงประเทียนนก็พูดถึงเหมือนกันนะว่าเราสามารถที่จะใช้ นนในชีวิตประจำวันนะซักเสื้อผ้านะแปลงฟันอาบน้ำนะให้มีความรู้สึกตัวเวลาไปไหนมาไหนนั่งรถลงเรือก็คลึงนิ้วมือเล่นก็ได้เราไม่จาเป็นจะต้องไปนั่งรถแล้วก็ยกไม้ยกมือสิบสีจังหวะซึ่งตรงนั้นมันก็คงไม่เหมาะนะด้วยการละเทศะนั่งคลึงนิ้วมือรู้สึกตัวนะตรงนี้เราสามารถที่จะทาได้เรียกว่าประยุกต์ เพราะฉะนั้น <c oughs> ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ที่มาปฏิบัติบางทีก็อาจจะ <c oughs> ขาดความต่อเนื่องการปฏิบัติก็จะเนิ่นช้า <c oughs> ท่านท้าตายว่าว่าสามปีภายในสามปีถ้าคุณทำต่อเนื่องนะอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดหนึ่งวันถึงเก้าสิบวันสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเราหูพึ่งเลยนะตอนนั้นสมัยนั้น แต่เพราะการที่เรายังฟังไม่ชัดแล้วก็ยังไม่ได้ทำให้ต่อเนื่องมันก็ไม่ได้ผลอย่างที่ท่านพูดไว้แต่เมื่อเราได้มาทำอย่างต่อเนื่องนะมันก็มีผลเกิดขึ้นจริงๆซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองอย่างการที่เรามาอยู่วัดป่าสุโกโตจะมาบวชก็ดนะีจะมาปฏิบัติก็ดีนะโดยเฉพาะในช่วงเข้บาบรญาตอนนี้ก็เข้าไปเกือบครึ่งบรรษาแล้วนะ เรียกว่าเวลาเนี่ยมันไม่เคยคอยไลเลยนะถ้าเรายังมัวเพลิดเพลินสนุกสนานกับการพูดการคุยการคลุกคลีในะการสันทนาการเนี่ยมันก็จะทำให้เราเสียเวลาเสียโอกาสไปแล้วในะสิ่งที่เราควรจะได้ในะสิ่งที่ท่านครูบาอาจารย์จะเป็นหลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อคำเขียนก็ดนะีหรือว่าครูบาอาจารย์ต่างๆที่ได้พูดได้นาเสนอไปในแต่ละวันเนี่ย เราได้ย an, an ินได้ฟังแล้วเราไปทํำไหมเราไปพิสูจน์ไหมหรือเราได้ยินได้ฟังแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นล่ะก็ฟังฟังไปเพลินเพินไปนะแล้วก็ยังไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมบางคนติดอะไรก็ยังติดอยู่อยืางเดิมอ่ะนะเช่นติดบุหรี่อย่างเงี้ยก็ยังสูบบุหรี่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นการมาจําบรรษาก็ดีการมาอยู่ที่นี่ก็ดีเนี่ยในหนึ่งพรรษาเนี่ยอย่างน้อยๆนะ คนติดบุหรีนะ่ะเลิกบุหรีได้เนี่ยก็โอ้น่าโมทนาสาธุและนะแต่ยังติดบุหรีเหมือนเดิมก็ไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่นะกับการมาอยู่จำพรรษาก็เพียงแต่ว่าก็ได้มาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตเนาะเป็นวัดที่เออเขาปฏิบัติกันเราก็มาร่วมใช้ชีวิตนะแต่สิ่งที่เราเคยติดเคยเสพติดเนี่ยมันยังไม่หลุดไปเลยนะก็น่าเสียดายนะ เวลาที่มีอยู่นะตรงนี้หรือแม้แต่การติดความสบายนะบางคนความสบายความเพลิดเพลินเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่อยากนะที่จะมาเรียนรู้ตัวเราเองนะแล้วก็ไปคิดว่านี่แหละคือความสุขนะเป็นความสุขที่ได้จากการเพลิดเพลินนะการพูดการคุยการคุกคีนะแล้วไม่ได้ฝึกะนั้นถ้า <c oughs> สึกไปก็ดีหรือว่าไปใช้ชีวิตตามปกตินะมันก็จะต้องวิ่งหาความสุขอย่างเนี้ยเรื่อยไปตัวเองเพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องไปอาศัยคนอื่นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมนะซึ่งเป็นความสุขที่เราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะจริงๆมันมีสุขที่เหนือกว่านั้นสิ่งสุขตรงนี้เนี่ยใหม่ๆมันจะลำบากหน่อย นมันจะต้องอาศัยความเพียรความพยายามความอดทนนที่จะฟันฝ่านามันไม่มีหลักที่จะราบเรียบราบรื่นนะทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นไม่มีแต่ความทุกข์ยากความลำบากนั่นะตรงนั้นน่มันจะทำให้เราเข้มแข็งจิตใจมันจะเข้มแข็งได้ต้องผ่านความยากลาบากไม่มีนะจิตใจเข้มแข็งโดยสบายสบายไม่มีคนที่ติดสบายติดสบายในการนอน ติดสบายในการกินจะอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวนะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นความหลงชนิดหนึ่งติดสบายนะติดออการกินการนอนนะสมัยหลวงพ่อเทียนอาตมาเคยได้ยินนั้นพูดอยู่เสมอนะให้กินน้อยนอนน้อย<ม>แต่ปฏิบัติให้มากนะซึ่งตรงนี้นก็เป็นสิ่งที่ ท่านพยายามที่จะให้ความสำคัญนะกับการปฏิบัติอย่าไปให้ความสาคัญกับการกินการนอนมากนอนเอาเท่าที่ร่างกายมันได้พักผ่อนะกินพอที่ร่างกายมันจะอยู่ได้นะถ้าเราไปให้ความสาคัญเรื่องการกินการนอนเนี่ยนะมันเพลินไปมันสบายไปมันสุกเกินไปคนที่สุขเกินไปก็ดีเพลินเกินไปก็ดีเนี่ยมักจะลืมเนื้อลืมตัวได้ง่าย นะแล้วก็การฝึกเจริญสติเนี่ยจะไม่ค่อยได้ผลนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยการที่เราให้รู้เท่าทันนะเล่เหลี่ยมกลกงนะของกิเลสนะหรือ บ, บางทีเรียกว่าบ่วงของมาร น, นะซึ่งภาษาก็เรียกว่ากามนั่นเองคําว่ากามเนี่ยก็คือความยินดีพอใจในการกินในการเห็นในการได้ยินนะในการสัมผัสนะ ตรงนี้เป็นตัวที่ทําให้คนเนี่ยไม่เคยได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เรื่องพวกนี้พวกเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยเราได้ผ่านพ้นเรื่องพวกนี้มาพอสมควรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็ให้พยายามรู้ให้เท่าทันนะแล้วก็พยายามนะใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นเวลาของการพัฒนาชีวิตนะพัฒนากายพัฒนาใจโดยเฉพาะในส่วนสําคัญก็คือเรื่องของ สติหรือความรู้สึกตัวอันนี้เป็นเครื่องมือสำคัญนะที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยอยู่เนื้อเกิดเหนือแก่เนือเจ็บเหนือตายได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ <c oughs> พระุทธองคนะ์ได้พูดเอาไว้แล้วก็ตัวท่านเองก็ได้พิสูจน์ทดลองผ่านพ้นมาอย่างที่เราได้สาธยายมนไปเมื่อสักครู่นี้เนะมื่อเอาพระองค์เป็นกัลยาณมิตร เราสามารถจะหลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายได้คําว่าหลุดพ้นในที่นี้ไม่ได้ว่าไม่แก่นะไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่นะเราแก่เราเจ็บเราตายแต่มันไม่มาทําให้ใจเราวันว่นวายซึ่งตรงเนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวเพราะฉะนั้นคนเจ็บใข้ได้ป่วยก็ดีนะก็อย่าไปอดโอยนะ เราทําอะไรไม่ได้เราปฏิบัติไม่ได้จริงๆเอาการเจ็บป่วยนะั่นแหะมาเป็นบทเปลียนนะซึ่งตรงเนี้จะทําให้เรา เ, าเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาว่าโอ้พุทธธรรมหรือคําสอนของพุทธเจ้าก็ดีของครูบาอาจารย์ที่ได้สืบทอดมาจนปัจจุบันก็ดีมันเป็นของจริงมันเป็นเรื่องที่ทําได้เป็นเรื่องที่ไม่เกินความสามารถที่เราจะทํานำะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะ พูดในเช้าวันนี้นะแล้วก็เป็นการระลึกถึงหลวงพ่อเทียนนะในโอกาสที่เดือนนี้เป็นเดือนเกิดและเดือนตายของท่านนะก็ขอให้เอ่อพวกเรานะได้น้อมนําเอาสิ่งที่ท่านได้พูดได้สอนนะผ่านมาทางหลวงพ่อคำเขียนก็ดีครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีนะได้นําไปประพฤติปฏิบัตินะเพื่อให้เกิดผลนะคือความสุขเกษมสารนะ ในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร